วันที่8องค์ที่สามของพ่ชงปรากฏฉันตื่นก่อนนาฬิกาปลุกราวครึ่งชั่วโมงคราวนี้ด้วยความเต็มใจเหลือที่จะกล่าวลุกขึ้นเข้าห้องน้ำอย่างกระตือรือร้นและกลับมานั่งสมาธิแบบหลับตาราวกับเหลือนาทีในชีวิตอีกไม่เกินวันนี้ดีเหมือนกันถ้าใจคิดอยู่เรื่อยๆว่าพ้นวันนี้อาจไม่รอด ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสำหรับชีวิตอันเปราะบางของมนุษย์เจริญอาณาปานาสติตามแบบที่จิตเริ่มคุ้นทางรู้ลมเข้าออกชัดโดยไม่ต้องมีเสียงช่วยนับตอนลากลมเข้าหน้าท้องค่อยๆพองขยายออกจนสุดตอนปล่อยลมออกเหมือนตัวเป็นลูกโป่งเปิดปากให้คายลมออกมาเองช้าๆ เมื่อรู้ชัดว่าหายใจออกไม่คลาดสติเมื่อหายใจเข้ามีสติมั่นคงถึงจุดหนึ่งก็กำหนดรู้ตรงจุดสุดลมเข้าปอดเห็นว่านั่นคือจุดเริ่มของลมออกจากร่างกระทั่งเกิดความเห็นชัดว่าลมหายใจเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาอันเนื่องจากเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างรู้ทาง ฉันไม่ปล่อยให้ปีติครอบงำเหมือนเมื่อคืนแต่ทำเฉยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ด้วยความเบิกบานในธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเห็นได้ว่าลมหายใจใดเริ่มสั้นลงก็ประคองจิต ร, รับรู้ด้วยสติคงเส้นคงวาเท่าเดิมไม่ให้กำลังสติตกที่จะเรียกว่าวิริยะอันเป็นองค์ที่สามแห่งโพชฌงได้เต็มปาก ก็ต่อเมื่อใจให้ความสำคัญกับธรรมะวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่ลดละจริงๆสิ่งอื่นเหมือนด้อยค่าลงเสียลำดับความสำคัญให้กับธรรมะวิจัยทั้งหมดทั้งสิ้นกล่าวคือในขั้นนี้ฉันไม่สนใจอะไรอื่นมากไปกว่ารู้ว่าลมเข้าแล้วต้องผ่านออกไปเป็นธรรมดากับทั้งเปรียบเทียบได้ทันว่าเมื่อใดลมหายใจสั้นลง เมื่อใดกลับกระเตื้องร่างกายต้องการลมยาวขึ้นฉันสังเกตลงไปในระดับของอาการดำเนินจิตจังหวะชี้บอกว่าวิริยะปรากฏชัดมีอยู่คือเมื่อสิ่งอื่นใดจะดึงสติหรือทำให้เสียธรรมวิจัยไปจะมีสติอีกชั้นหนึ่งมาดึงจิตกลับไปรู้อารมณ์เดิมด้วยความรู้สึกว่า ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าการพยายามประคองให้เกิดสติเกิดธรรมวิจัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองให้ผลเป็นความหนักแน่นยิ่งยิ่งขึ้นของจิตคล้ายอัดดินร่วนให้เป็นปึกแผ่นราบเรียบมากขึ้นมากขึ้นเชาน้านี้ฉันจดบันทึกด้วยความมีปีติเป็นล้นพ้นวิริยะที่อยู่ในโพชง ต่างจากวิริยะในการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวทางโลกต่างจากวิริยะแม้เมื่อทำสมาธิเอาความสงบสุขเพราะเป็นวิริยะในความหมายของการทาความเห็นสภาพเกิดดับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสำคัญแต่ฉันก็ให้คะแนนตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเมื่อใช้พหุชงเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบแล้วพบว่ายังไม่เกิดปีติชัด ฉันทำความเข้าใจแยกแยะภาวะปีติได้ถูกถ้าปีติแบบโลกโลกจะเหมือนหัวใจพองฟูคล้ายเด็กดีใจได้ของเล่นมีความวูบวบหวันไหวให้ผลเป็นอาการเนื้อเต้นอยากลุกขึ้นขยับเต้นแรงเต้นกาแต่ถ้าเป็นปีติในองค์สมาธิจะมีความสงบนิ่งให้ผลเป็นความระ ง, งับทั้งกายและใจ และนี่คือประโยชน์ของการศึกษาภาคธิษฎีมาอย่างดีเมื่อรู้ลำดับโพชชงกระจ่างแจ้งจะไม่ทำให้ตีค่าระดับการภาวนาที่เข้าถึงอย่างผิดผิดเหมือนสมัยก่อนมาที่ทำงานฉันรู้สึกว่าอาการทางกายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็พลอยทำให้สติหมุนเหมือนมอเตอร์ที่ทำงานเต็มกำลังทุกรอบ เรียกว่าการรู้ลมกลายเป็นอนุสติไปแล้วสำรวจตนเองแบบไม่เข้าข้างฉันเห็นสติธรรมวิจัยและวิริยะปรากฏอยู่เรื่อยๆแม้ไม่ต่อเนื่องชนิดวินาทีต่อวินาทีแต่เมื่อใดว่างจากงานเมื่อใดไม่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนมีเวลาเป็นตัวของตัวเองตามลำพังฉันเห็นลมเข้าออกสั้นยาว เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดากระทั่งจิตเหมือนฟองสว่างว่างโลง่งที่บอกตัวเองเกือบตลอดว่าลมหายใจไม่ใช่ของเราแต่ในความว่างนั้นยังมีความฟืดหรือจะเรียกว่าอะไรดีมันเนืดเนดอยู่ชอบกลปิติแบบวูบๆวับว บ, วบเหมือนอิ่มอกอิ่มใจที่หายไขย้แล้วสลับเป็นกลัดกลุ้มลึ ก, ลก ตรวจสอบเทียบเคียงแล้วน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับความใจร้อนอยากได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองตรงเนี้ยคงแก้ไม่ยากนักอาศัยศรัทธาคือเชื่อว่าทำไปเรื่อยๆแล้วจะทะลวงด่านทึบนี้ได้เองก็พอหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่าถ้าปฏิบัติถูกทางความต่อเนื่องนั่นแหละคือความก้าวหน้า และนิยามของความต่อเนื่องทางการปฏิบัติก็คือวิริยะอันเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏในชั้นเดี๋ยวนี้เองฉันเจอคู่อริตอนเดินสวนกันพอเดินสวนกันสติฉันหลุดจากฐานแวบหนึ่งคือแลบไปจับอยู่ที่ความรู้สึกในอัตตาของเรากับอัตตาของเขาและเกิดวาระแรกเห็นว่าจิตของฉันเหนือกว่าไม่ควรลดตัว ไปเทียบกับคนระดับต่ำกว่าอีกต่อไปสรุปคืนนี้ถ้าตรวจสอบด้วยเกณฑ์คือโพชงฉันพัฒนามาถึงขั้นสามแต่ถ้าตรวจสอบด้วยอาณาปานาสติฉันก็บรรลุเป้าหมายแรกแล้วคือมีจิตเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงอย่างเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะออกหรือเข้าไม่ว่าจะยาวหรือสั้น จิตยังทรงสภาพผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างสม่ำเสมอไม่คลาดไปเสียแต่ว่ายังเป็นการรู้ชัดแบบแห้งๆไม่ค่อยมีน้ำปีติหล่อเลี้ยงให้ชุ่มฉ่ำเท่านั้น